ก็ได้แต่ร้องไห้พรางรับปากไปพรางด้วยความเศร้าสลดใจยิ่งแต่การกลับผิดคาดท่านบิดาของท่านแท่จอไม่ยอมรับและก็ช่วยเหลือจนสำเร็จเมื่อออกจากที่คุมขังแล้วสองสามีภรรยาก็เดินทางมาขอบพระคุณท่านและพูดว่าคุณธรรมของท่านที่มีต่อข้าพเจ้านั้นหายากยิ่งแล้วในโลกนี้ หากข้าพเจ้าไม่สามารถตอบแทนพระคุณของท่านเสียบ้างคงจะไม่สบายใจไปตลอดชาติจึงใคร่ยกลูกสาวให้เป็นทาสช่วงใช้ขอท่านอย่าได้ปฏิเสธเลยท่านบิดาของท่านแทจือก็รับไว้แต่ไม่ได้ให้เป็นทาสรับใช้ทำพิธีแต่งงานกันตามประเพณีนิยมต่อมาจึงได้กําเนิดท่านแทจือพออายุได้ยี่สิปีท่านแทจือก็สอบไล่ได้ เป็นขุนนางในกลมประวัติศาสตร์ต่อมาลูกหลานก็ได้เป็นขุนนางกันทั้งนั้น